เบนคุณเรียกให้คริสขึ้นมาเดินรวมกลุ่มกับพวกเราดีกว่าอย่าให้เดินล่าหลังคนเดียวอยู่อย่างนั้นเลยไอ้สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าว่ามันอาถรรพ์ร้ายแล้วก็ยังสู้นรกดาที่นี่ไม่ได้ครับผมน่าไม่อยากจะให้พวกเราคนใดคนหนึ่งต้องสูญหายไปอย่างปราศจากร่องรอยในกรณีที่รับตาเพียงแค่นิดเดียวขณะนี้นะคริสเดินอยู่ด้านหลังเราทุกคนและผมก็ไม่อยากจะเหลียวหลังไปดูอยู่ตลอดเวลาเลยกล่าวจบ เขาก็เริ่มเร่งฝีเท้าขึ้นเป็นลำดับปล่อยคณะนายจ้างให้เดินเกาะหมู่เป็นขบวนมาเบื้องหลังในขณะที่ตนเองตามหลังบุญคำขึ้นไปอย่างรวดเร็วและเกิดกระเซยก็ทอดฝีเท้าลงมาเดินเป็นเพื่อนนายจ้างแทนเข้าใจว่าคงจะเป็นคำสั่งของพรานใหญ่นั่นเองทั้งคณะทิ้งปากช่องประตูผาอันเป็นตาแหน่งป่าหินไว้เบื้องหลังโดยเดินผ่านไปในทุ่งหญ้าสลับละเมะเตีย้ยเต้ย ที่พื้นเปียกชุ่มไปด้วยฝนเมื่อหัวรุ่งนี้แล้วชั่วไม่นานนักทั้งหมดก็มองเห็นระพินเดินกวดหลังตามขึ้นไปทันบุญคำซึ่งทำหน้าที่ออกนำมาแต่แรกบ่าวนายทั้งคู่เดินเหมือนจะพูดจาหาเรืออะไรกันครู่เดียวร่างอันเพียวกแกรง่งนั้นก็ทิ้งบุญคำไว้เบื้องหลังมองดูแล้วก็ไม่เห็นว่าเขาจะมีอาการจำเดินเร่งรีบอะไรนะัก แต่แลราฝีก้าวที่เหยียบพื้นนำตัวดุมดุมไปก็แลดูว่าเป็นการเดินปกติธรรมดาที่สุดลําตัวตั้งตรงอ้อมแขนซ้ายคอนกอดไรเฟิลประจำตัวไว้โดยมีปากลํากล้องเฉียงต่ำไปด้านหน้าเล็กน้อยไม่มีอาการเหลยวกลับมามองด้านหลังหรือหันมองซ้ายขวาใดๆทั้งสิ้นนอกจากจะใบหน้าตรงดิ่งไปตามทิศทางเหมือนจะกาหนดไวแน่ชัดก่อนแล้ว รพินไพรวันทิ้งห่างคณะทั้งหมดออกไปเป็นลำดับจนกระทั่งมองเห็นโดดเดียวอยู่เบื้องหน้าลิบลิออกไปคนเดียวทิ้งระยะห่างประมาณรอยเมตรเหมือนจะมีพลังพิเศษลึกลับอยู่ในฝีเทา้าการก้าวย่างของเขาอันไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในสภาพเดินเร็วชนิดที่ไม่อาจมีใครเดินตามเขาได้ทันชนิดนั้น ราวกับว่าหนึ่งเก้าของเขานั้นจะมีระยะทางเท่าเๆกับบุคคลอื่นสักสิบเก้าก็ไม่ปานแบบนี้ฝ่ายนายจ้างทั้งหมดเข้ามาเดินรวมกลุ่มอยู่กับลูกหาบและพรานพื้นเมืองทั้งสี่คนแล้วและแม้จะมีความคุ้นเคยกับลักษณะการเดินได้เร็วเป็นพิเศษของระพินมาดีแล้วสักเพียงไรก็ตามแต่ก็ยังอดที่จะฉงนสนเทศใจเสียไม่ได้ ต่างเฝ้าจับมองดูอยู่ทุกระยะและก็เห็นอยู่จักจากชัดแจ้งเนื่องจากบริเวณที่พากันบ่ายหน้าไปนั้นยังเป็นบริเวณที่โปร่งโลง่งสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวทั้งหมดโดยตลอดปราศจากมุมบงังนี่สะบานนะสะบานว่าฉันไม่ได้เห็นเขาออกวิ่งเลยนะ่ะก็เห็นก้าวสวบสวบไปตามธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ทำไมนะ เวลาเขายังไม่ต้องการให้เราเดินตามได้ทันพวกเราเป็นเดินกระชัน้นระยะเข้าไปใกล้เขาไม่ได้เลยแม้แต่สักครั้งเดียวเป็นร้องอุทอนออกมาอย่างอ่อนใจและสุดประหลาดใจตาจับนิ่งไปยังร่างที่ทิ้งห่างออกไปไกลลิฟนั้นพร้อมกับบุยปากให้ทุกคนซึ่งกำลังเร่งฝีเท้ากันอยู่เต็มที่จนเหนือเริ่มผุดซึมดูไปยังเป้าหมาย ม, มันก็แปลก แล้วก็เป็นไปได้ไหมที่เขาสามารถซอยเท้าได้เร็วกว่าเราโดยเราก้าวไปได้หนึ่งก้าวแต่เขาสามารถจะก้าวไปได้ถึงสาก้าวแล้วสไตลีพึพรรมพัออกมาด้วยความชฉบนเช่นกันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพวกเราก็เดินกันเร็วอย่างเต็มที่อยู่แล้วถ้าเราก้าวหนึ่งก้าวและหมอนั่งก้าวสามก้าวสภาพของหมอก็จะเหมือนกับวิ่งหยอกหยอกแต่ที่เราเห็นอยู่เนี่ย หมอก็เดินไปในลักษณะธรรมดาธรรมดานั่นแหละก็ไม่ได้มีอาการว่าจะวิ่งเลยแล้วว่าอันที่จริงขาของหมอก็ใช่ว่าจะยาวอะไรนักสั้นกว่าของเราสิคีิบอกมาพร้อมกับโครงหัวชาคงมีก็แต่คริสติน่ากับเชิดบุตรสองคนเท่านั้นในกลุ่มที่ไม่วิพากวิจารณ์อะไรในเรื่องนี้คงเดินไปด้วยอาการปกติเพราะสิ่งประหลาดประหลาดที่ไม่อาจจะหาบทพิสูจน์ได้ สำหรับมักคุเทศนำทางนามวารพินไพวันผู้นั้นทั้งคู่ตรหนักซึมซาบดีอยู่แล้วไม่ประสงค์จะตั้งเป็นแง่คบคิดหรือสงสัยใดๆอีกต่างยอมรับอยู่ในใจเงียบๆมานานแล้วว่าคนคนนั้นมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ลึกลับพอๆกับสภาพป่าที่แวดลอ้อมป่วยการที่จะไปพิเคราะห์แสวงหาคาตอบใดๆออกมา ให้เป็นที่กระจางได้ขณะนั้นแต่ถ้าบุญคำก็เดินยิ้มเพลประกบใกล้แมมผมแดงเข้ามาแล้วก็ทักทายผู้จาตามประษาของแกวันนี้แมมเบ้แข็งแรงดีเหมือนเดิมเลยนะ่ะบุญคำานี่ดีใจภาวานาขออย่าให้แมมต้องเจ็บป่วยอะไรขึ้นอีกเลยอาบน้ำสบายตัวกันไปเมื่อยโยกนี่เงือจะท่วมตัวกันอีกแล้ว พวกเจ้านายทั้งหลายก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรนรักหรอกเดินกันไปตามสบายสบายก็แล้วกันบอกแค่นั้นแล้วแกก็หวัวร่ออย่างอารมณ์ดีทำท่าจะแยกไปเดินกับลูกน้องอีกสามคนที่เดินตามมาทางเบื้องหลังแต่เบนคว้าแขนกันไว้ก่อนนี่บุญคำวันนี้ในะฉันแข็งแรงดีที่สุดละเรามาทดลองอะไรกันสักอย่างไหมสีหน้าของเบลนั้นยิม้ม แต่หางเสียงหนักแน่นจริงจังแต่คำทาตาปริบ ป, ปริบมองหน้าลองอะไรเหรอแม่ก็เราสองคนคือชั้นก บ, บุญคำอะเรามาลองพยายามกวดตามพรานใหญ่ให้ทันบุญคำนำฉั้นไปหน่อยสิแม้จะต้องออกแรงวิ่งก็เอารับรองนะว่าชั้นวิ่งตามบุญคำได้นะ่ะ ตระเทาจอมสับ ป, ประโดกมือขวาของระพินลืมตาโตฮะแหมแม้ายไอ้คำพาวิ่งตามนายระพินใน้ทันเหรอใช่ฉันอยากจะลองตามเขาให้ทันดูในบริเวณทุ่งโล่งนี่แหละและถ้าตามทันแล้วฉันจะดูเขาใกล่ๆอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาเขาเดินทิ้งแผลไปนะ่ะเขาเก้าวเท้ายัางไงพวกเราถึงซอยเท้าตามเขาไม่ทันสักทีมันไม่มีอะไรมากนะัรกรคบุญคาเพียงแต่ว่า พวกฉันน่ะสงสัยมานานแล้วว่าเจ้านายของบุญคำเขาเดินยังไงพวกเราถึงเดินตามไม่ทันสักทีวันนี้ขอเห็นในชัดๆสักครั้งเถอะอีโทแมมตะคำร้องเสียงยาวและจุปากลั่นออกมาทำไมแมนถึงมีความคิดพิเร ย, ย่างงี้เนาะไม่มีประโยชน์อะไรสักนิดนึงที่ใครจะคิดไปเดิน รือวิ่งกวดนายระพีนในทันในเวลาเดินป่านะ่ะแมมคริสก็เคยพยายามมาหลายทีแล้วนายห้างคิดนายห้างบอ็อบหรือนายตาหารเชิดบุตรก็เคยพยายามกันมาแล้วทั้งนั้นแหละและมีใครตามนายระพินทันกันบ้างไหมถ้าแกไม่หยุดรอแกไม่ดีไปไหนหรอกแมมวราเดี๋ยวแกก็ไปหยุดรออยู่ริมดงทึบข้างหน้านอนเองแหละเบนขมวดคิวอย่างพิษสวง ใครจะเคยลองมายังไงก็ช่างเหอะแต่ฉันยังไม่เคยลองสักทีเนี่ยยังก็อยากจะเห็นอย่างที่บอกแล้วนั่นแหละจะขอดูขาเขาหน่อยว่าเขาเดินยังไงถึงได้เร็วกว่าเราทั้งๆ ท, ท, ที่เขาก็ไม่ได้วิ่งแล้วขนาดความยาวของขาเขาก็ไม่ในมากไปกว่าของพวกเราเลยตัวก็เล็กนิดเดียวเท่านั้นเบนยังคงยืนยันความตั้งใจเดิมอยู่เช่นนั้นคริสติน่าหัวรอ้อฮือๆพยักหน้าบอกบุญคำว่า บุญคำก้อยแมมเบงก็ลองดูหน่อยไปเอาเลยพาเขาขวดตามเจ้านายบุญคำไม่ทันปะคราวนี้บุญคำหัวรอกก้าวออกมาจ้องมองดูแม่ผมแดงอย่างสมเพศราคนขำขันนี่แมมเบงบุญคำจะบอกอะไรให้อบุญนะ่ะในป่าเนี่ยถ้าแกไม่หยุดรอไม่มีใครเดินตามกรทันหรอกเยาว่าแต่พวกแมมเลย ขนาดพวกบุญคาเองยังตามแกไม่ทันถ้าแกไม่ยอมให้ทันถึงแม่จะวิ่งตามจะไปให้ทันเดี๋ยวนี้พราะไปเดินตีคู่กับแกเดี๋ยวแกก็ถีงห่างออกไปอีกแล้วก็ต้องวิ่งตามกันลิ้นห้อยอีกแหละแม่จะวิ่งไล่แกสักกี่ครั้งแล้วเดี๋ยวก็หมดแรงเท่านั้นแหละทําไมทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอะบุญคําเบนกับสเตนลีและทุกคนในฝ่ายนายจ้างเริ่มชฉนด ให้ความสนใจกับคำพูดของบุญคำและถามมาเป็นเสียงเดียวกันบุญคำทำสีหน้ายุ่งยากลำบากใจยกมือเกาหั ว, หวอันจิกไปด้วยเส้นผมขอดของแกแล้วหันหน้าไปมองดูเชิดบุตรนายทหารนายทหารพอจะอธิบายฝรั่งพวกนี้รู้ได้ไหมว่าทำไมบุญคำถึงว่ะอย่าไปคิดเดินตามตีคู่กันนายรพินสะยากเลยแต่ตัวแกเองไม่หยุดรอ บุญคำฉันก็ไม่ได้รู้ดีไปกว่า บ, บุญคํานีำบุญ้งบอกก็ไป่ทีถ้าพวกเขาฟังไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวฉันจะอธิบายฟังอีกทีก็ได้แต่ก่อนอื่นบุญคําต้องเข้าใจก่อนนะว่าพวกนี้เขาสงสัยในเรื่องที่ว่าเจ้านายของบุญคําก็ไม่ได้มีขายาวอะไรเป็นพิเศษแล้ะเวลาเดินก็เห็นก้าวเดินไปเรื่อยๆดูไม่เห็นว่าวิ่งหรือเร่งร้อนอะไรผิดปกติแต่พอเดินเดินอยู่ด้วยกัน เขาก็เริ่มทิ้งพวกเราห่างออกไปห่างออกไปทุกทีซึ่งมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจมากเหมือนกันมันลึกลับด้วยดิบุญคำอมลมในปากจนแก้มโปงแล้วก็เป่าพรูออกมาฟ้านจริงไม่มีใครเขามาคิดสงสัยอยู่ในเรื่องนี้เลยเวลาเดินป่ากันนายรบพิน ก็มีแต่พวกเจ้านายคณะนี่แหละนีแ่แปลว่าช่างสังเกตช่างจับกันี่จริงๆนะเอาละไอ้คาอธิบายอะไรไปเดี๋ยวจะหวักโกหกเพราะไอคนะ้คานั้นมันก็ล่อนอยู่แล้วพวกเจ้านายก็รู้เดี๋ยวจะเรียกให้จันมาอธิบายเองไอ้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ฟังจากมันก็แล้วกันกล่าวจบแกก็กวักมือเรียกจัน ผู้เดินร่วมกลุ่มอยู่กับเกิดและเสยให้เข้ามากใกล้แล้วก็อธิบายให้ฟังว่าพวกอเมริกันเหล่านี้สงสัยเรื่องอะไรเอาไอ้จันเองอธิบายนายห่างทั้งหลายเขารู้หน่อยสิว่าทําไมทําไมถึงไม่มีใครเดินตามนายราพินได้ทันแต่แกคิดจะไม่ให้ตามทันเสอย่างอะจันทําหน้าเพิ่งจะเข้าใจในเรื่องที่ถูกเรียกมา แล้วก็มองไปยังบรรดานายฝรั่งทั้งหลายทีละคนเจ้านายนี่แต่จันบอกแล้วอเจ้านายทั้งหลายจะเชื่อหรือเอาเะเชื่อไม่เชื่อเองก็มีภาษีกว่าข่าไอ้ข่านะ่ะเจ้านายเขารู้ว่าเป็นคนช่างต้อนดต้แหลอยู่แล้วข้าบอกมันก็ไอ้แค่นั้นเพราะเองบอกแล้วถ้าใครยังสงสัย เดี๋ยวข้าจะเอาไปพิสูจน์เองบุญคำพยักหน้าบอกจันเจ้านายครับในป่านี่นะนารพินกันไม่ได้เดินอย่างคนธรรมดาเห็นกันจันเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบๆสีหน้าปกติท่ามกลางทุกสายตาที่มองจับนิ่งมาอย่างตั้งใจฟังแม้แต่คิดผู้ไม่สันทัดในภาษาไทย เจ้านายนะจะเดินด้วยวิชาอาคมครับเดินด้วยคาถาย่นระยะทางสายตาคนทั่วไปจะมองเห็นว่าแกก้าวปกติธรรมดาไปเพียงก้าวเดียวแต่มันกินระยะทางไกลกว่าคนธรรมดาเดินมากนักครับไม่ต้องวิ่งแต่เดินเพ่งจิตภาวนาไปเหมือนการก้าวธรรมดานี่แหละแต่เส้นทางที่แกะจะก้าวเดินไปน่ะมันจะถูกย่นสั้นเข้ามามาเลยดูเหมือนกับว่าแกเดินได้เร็ว เดินได้ไกลกว่าคนอื่นๆคนที่จะเดินตามแกทันจะต้องมีวิชาอาคมอย่างเดียวกับแกไม่เช่นนั้นเดินเท่าไหร่ก็ไม่มีวันทันกันหรอกครับเว้นแต่แกจะหยุดรอไอวิชาเดินป่าด้วยการย่นระยะทางเช่นนี้เนี่ยทำให้แกสามารถจะเดินไปได้ถึงทุกขนทุกแห่งภายในป่าเพราะเท่ากับเป็นการตัดลัดทางไปใครก็ตามที่เดินตามหลังกันไป แม้จะเดินไปตีคู่กับแกไม่ได้แต่ถ้าตามแกไปเรื่อยๆก็เท่ากับเป็นการลัดทางย่นทางไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเจ้านายทุกคนไม่ต้องกลัวครับว่าพวกเราจะเดินไปที่จุดไหนแล้วจะเดินไม่ถึงต่อให้ไกลสุดล่าฟ้าเขียวขนาดไหนถ้ามีนายรพินเป็นคนนําทางไปเสียอย่างก็ต้องเดินถึงอยู่วันยังขั้นมันเป็นวิชาการของนายพรานใหญ่ ที่ใช้เวทมนต์คาถาอาคมชั้นสูงเข้ามาเป็นเครื่องช่วยไม่งั้นแกก็ไม่สามารถที่จะนําบุกจนถึงเทือกประศิวะได้หรอกครับคนเราเดินด้วยเท้าเปล่าจะไปไกลได้สักขนาดไหนเชีถ้าไม่ใช่ใช้วิชาย่นตัดระยะทางเข้ามาช่วยแบบเนี้พวกเจ้านายนะ่าไม่รู้มาก่อนคิดจะไปเดินตีคู่ให้ทันแกในขณะที่แกใช้อาคมย่นระยะทางอยู่แบบนี้เดินในตายก็ไม่มีวันตามไปได้ทันหรอก มันเป็นวิชาอาคมของพระทุดงที่ใช้เดินป่าข้ามเขตข้ามแดนตัดขุนเขาไปได้เป็นเทือกเทือกบางทีก็เดินข้ามประเทศเลยทีเดียวล่ะครับฝ่ายอเมริกันทั้งหมดแม้จะพยายามตั้งใจฟังอยู่แต่ก็ยังไม่อาจจะกระจ่างชัดอะไรนะักมองไปทางเชิดบุตรเมื่อนั้นนายทหารหนุ่มจึงแปลกลับเป็นภาษาอเมริกันเพื่อพวกนั้นได้เข้าใจตามข้อความที่จันพูด ทุกประโยคทุกถ้อยคำ What นี่เป็นไปได้เรอคิดสแตลลีและเบลร้องเสียงสูงขึ้นพร้อมกัน mm. ก็คนของเขาบอกมาอย่างนี้นี่ครับด็อเตอร์เชิดวุฒกล่าวเสียงต่างําๆหนักแน่นตัวเขาเองก็อยู่ในภาวะตื่นเต้นงงงันไปด้วยเช่นกันไอเรื่องนี้เราจะพิสูจน์กันได้ง่ายนิดเดียว วิทยุบอกไปเขาหยุดรอพวกเราที่ต้องการจะพิสูจน์เพื่อเดินตามไปให้ทันก่อนเขาเพื่อเดินตามไปให้ทันเขาก่อนแล้วก็ออกเดินพร้อมๆไปกับเขาโดยอนุญาตให้เขาเดินอย่างเต็มที่อย่าบอกให้เขารู้ซะ ก, ก่อนว่าเราต้องการพิสูจน์อะไรแล้วก็ลองดูสิว่าเมื่อเดินไปด้วยกันแล้วพวกเราที่ไปเดินคู่กับเขานะ่จะเดินตามเขาได้ทันไหแล้วเขาจะทิ้งเราเดินไปได้ไกลสักเท่าไหร่ ก็อย่างที่เบนต้องการจะพิสูจน์ไม่กี้นะครับสแตนลีและคีตผิวปากยาวตาจับมองเขม็งไปยังร่างที่เห็นเดินดุมดุมอยู่เบื้องหน้ารักษาระดับห่างร้อยเมตรเช่นเดิมอย่างอัศจรรย์ใจขีดสุดเฮ้ยแบบนี้ก็ซูเปอร์แมนแล้วคนธรรมดาซึ่งเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนายคีตบวยวายขึ้น และนายคิดว่าคนคนนั้นเป็นคนธรรมดาเหมือนอย่างพวกเราๆนี่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เขาเดินอยู่ในอาณาจักรป่าดงพงไพรแบบนี้นี่นายไม่เคยเห็นสิ่งที่มันพิเศษเหนือมนุษย์ปุทุชนนับไม่ถ้วนที่เขาได้แสดงให้ปรากฏชัดโดยที่ตัวเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเลยไม่เคยเลยเหรอถ้าคนคนนั้นไม่มีคุณลักษณะพิเศษผิดมนุษย์ทั่วๆไปเช่นนี้คอมพิวเตอร์ของพวกนายก็คงจะไม่ดีชื่อเขาออกมา ในฐานะพรานนำทางที่เหมาะสมที่สุดหรกอกไองานเดินป่าหาซากอับปางของบี52าลำนั้นและระเบิดสิเมกะตันลูกนั้นไม่ได้ต้องการคนที่มีคุณสมบัติพิเศษชนิดนี้หรอกเลยก็เพราะเขามีลักษณะอันเป็นซูเปอร์แมนแบบนี้นะซิพวกนายทั้งหมดรวมทั้งชั้นด้วยถึงได้ต้องมาเดินตามหลังเขาต่อยตอยอย่างเงี้ยแทนที่จะหาซากเครื่องบินตกทางอากาศอย่างที่ควรจะเป็นไป ไอ้หน่วยเหนือของพวกนายก็ย่อมประหนักดีอยู่แล้วนี่ว่าจะต้องมามีอาการพิศวงสงสัยอะไรอีกอยู่แล้วเมื่อเราค่อยๆตรวจพบมาเป็นลำดับว่าเขาก็มีคุณสมบัติที่เหนือคนทั่วไปยังไงบ้างเชิดบุตรกล่าวแก่คนเหล่านั้นอย่างเต็มไปได้วยความมั่นใจและเยาอหยันในความรู้สึกอันแสดงออกไปในด้านสงสัยไม่อยากจะศรัทธาเชื่อถือนัก 182ระหว่างที่คนอื่นๆยังอยู่ในภาวะตื่นเต้นและงง ง, งันไปชั่วขณะคริสติน่าผู้รับฟังอย่างสงบเฉยมาตลอดเวลาหันไปถามบุญคำเบาๆบุญคำยืนยันในสิ่งที่จันได้พูดมาแล้วนี่ใช่ไหมแหม่คริสจันนะพูดความจริงน่ะก็ดีวยวใครสงสัยจะลองดูก็ได้ จะได้เห็นกันชัดๆแล้วเลิกคิดจะไปตีประกบคู่นายรพินสทัทีก็บอกแล้วไงว่าเสียเวลาเปล่าคนที่จะเดินตามนายรพินได้ทันจะต้องมีอาคมเท่าเทียมกันขนาดพวกบุญคำเองเป็นลูกศิษย์แกมา น, นานก็ยังตามแกไม่ทันเลยแกก็ไม่เคยถ่ายทอดวิชาสักทีหนึง่งถามแกแกก็บอกว่าไม่มีอะไร นายรพินน่ะเป็นคนมีของดีอยู่กับตัวมากแต่ก็ไม่เคยบอกให้ใครรู้ไม่เคยอัวตัวกับใครพวกเราน่ยจับคลิตรู้ทันแกได้ก็อาศัยที่อยู่กับแกมานานได้เห็นได้สังเกตมาตลอดนี่แล้วบุญคำก็ยังยืนยันในข้อที่จันพูดว่าในป่าแล้วหากรพินเป็นผู้นำทางต่อให้ระยะทางจะไกลสักแค่ไหน เขาก็จะจะสามารถนำทางไปให้ได้ถึงโดยการเดินเท้าเปล่ายังงั้นเหรอคริสติน่าเน้นเสียงถามมาอีกแม่มคริสก็ถับปามันกินแดนดินต่อถึงกันจนถึงอเมริกาบ้านเมืองแม่มคริสโดยไม่ต้องเดินผ่านลงไปในทะเลบุญคำก็ขอรับรองว่านายระพินจะพาแม่มคริส โลไปถึงอเมริกาเลยในเวลาเพียงแค่ไม่เกินสองสามเดือนทั้งทั้งที่ถ้าเป็นการเดินจริงอาจจะต้องเดินกันทั้งชาติเลยเอา้าวทำไมจริงอย่างไอ้คำว่านี่ก็ขอยฟ้าผ่าหัวลิงเงสิอาวแกมีวิชาลัดทางตัดทางได้จริงๆไม่เชื่อก็อแล้วไปแกบอกมาอย่างขึงขังแต่ซ่อนแววล้อเลียนกระล่อนไว้ย่างไม่สู้จะมิดชิดนะ ถ้างั้นก็วิเศษสุดความหวังของเรามีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นแล้วถ้าเขามีวิชาที่เหลือเชื่อชนิดนี้จริงๆมีหน้าละ่ะถึงเดินตามไม่เคยทันสักทีถ้าเขาไม่หยุดรอให้เอาละ่ะใครอยากจะทดสอบประสิทธิภาพในข้อนี้ของเขาดูมั่งละ่ะฉันจะวิทยุให้เขาหยุดรอเพื่อว่าคนที่อยากจะทดสอบจะได้เดินตามขึ้นไปให้ทันไม่ต้องวิ่งตามไม่เหนื่อยแรงหรอกเอาแค่เขาหยุด แล้วเราก็เดินตามไปให้ทันหลังจากนั้นค่อยไปเดินคู่กับเขาก็แล้วกันโดยบอกให้เขาเดินไปตามสบายซึ่งเราจะเดินตามเขาให้ทันและได้สังเกตดูด้วยขาแต่ละข้างของเขาก้าวไปในลักษณะไหนยังไงคริสติน่าเอ่ยกับพักพวกทุกคนยิ้มยิ้มเหมือนจะประกาศหาอาสาสมัครทดลองในเรื่องนี้สแตนลีย์คีธและอิสเบลพยักหน้าเห็นด้วยทันที คงมีก็แต่เชิดบุษเท่านั้นที่ไม่ได้แสดงอาการอย่างใดเมื่อนั้นแม่ผมทองจึงปลดวิทยุจากเข็มขับขึ้นมากรอกคำพูดลงไปกระพินคุณสแตนบายเครื่องไว้หรือเปล่าอีดใจเดียวทุกคนก็ได้ยินเสียงคำตอบออกมาจากวิทยุเครื่องของคริสครับมีอะไรข้างหลังเลยครับ ผมได้ยินเสียงเรียกชัดเจนดีมากครับกรุณาหยุดรออาจารย์คิดแล้วก็เบนสักครู่ได้ไหมกําลังจะเร่งฝีเท้าตามขึ้นไปทันอ่ะอาจารย์เขามีเรื่องที่จะหารือคุณสักเรื่องนึงครับตกลงครับตามขึ้นมาได้ผมจะหยุดรอบนเนินรูปหลังเต่าข้างหน้าเนี่ยครับเสียงตอบรับมาเรียบๆคริสติน่าอมยิม้ม พยักหน้ากับคณะของหล่อนและเพื่อนอีกสองคนโดยเฉพาะเบลหล่อนตบไหลเบาๆบอกว่าไปสิเขากำลังรออยู่แล้วรับรองว่าทางด้านนี้เราจะไม่กระตกกระตากอะไรให้เขารู้ล่วงหน้าว่าพวกเราทั้งสามคนจะขอเข้าไปทดสอบอะไรเขาพอไปถึงแล้วก็ให้ชวนกันออกเดินต่อและตามเขาไปให้ทันทุกระยะไม่ต้องห่วงทางด้านหลังไงทุ่งมันก็โล่ง มองเห็นกันอยู่ทุกระยะอยู่แล้วพวกเราจะตามไปเรื่อยๆในสภาพปกติอ้าแล้วเธอกระวุธไม่ไปด้วยหรอกหรอคริสติน่าสันศีรักยังคงยิ้มยิ้มอยู่เช่นนั้นไม่หรอกฉันจะไปกับขบวนลูกหาบและพ่านพื้นเมืองพวกนี้ผมก็เหมือนกันเชิญตามทั้งสามคนตามสบายแล้วกันเชิญวุธ บอกมาอีกคนนึงอย่างไม่อยากจะเสียเวลาเปล่าเมื่อนั้นสเตลีและเบลจึงชวนกันเร่งฝีเท้าเดินจำพรวดพรวดล้ำหน้าขาบวนลูกหาบที่รวมกลุ่มกันอยู่เพื่อตรงไปยังร่างของระพินซึ่งขณะนั้นขึ้นไปยืนจุดบุรีสูบรออยู่บนเนินลูกหนึ่งในทันทีพอทั้งสามทิ้งห่างออกไปบุญคำก็หันมายิ้มเห็นเงือกแดงกระเชิดบุษและคริส ดีละทีนายทาหารกับแมมคริสไม่ไกลไปกับพวกนั้นด้วยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเปล่า <l ix> คริสติน่าฟาคอบุญคำหมับแล้วลากแกให้มาเดินอยู่ใกล้ๆตรงกลางระหว่างตัวหล่อนกระเชิดบุรกระซิบ <l ix> นึกว่าฉันจะไม่รู้ทันในความกระล่อนของเราเงี้ะบุญคำ <l ix> โอ้ยแมมอย่าล็อกคอสิ ไอ้คำก็เดือดจะแตกอยู่แล้วเรียแรงยังกยักกมูกขี่ผู้หญิงอะไรปล่อยคำเหอะไม่ปล่อยลูกไม้จัดนักดตกรมเนี่ยหลอกสามคนนั่นได้แต่หลอกฉันไม่สําเร็จหรอกเธอเธอแมมจา๋าก็แค่หลอกไอ้นายห้างบ๊อบนายห้างคิดแล้วก็แมมเบนอะได้ออกกําลังกันมั่งทตรงนั้นอนะเห็นเดินเออระเหยโอ่เฮอยู่โอ้ยนายทหาร นายต้หาหนี้ช่วยไอ้ขำด้วยดิแม่มจะบีบก็เดือไอ้าำแตกอยู่แล้วเชิดบุญหน้าตื่นเห็นคริสติน่าเอาแขนล็อกคอบุญคำลากเดินไปเท่านั้นก็เลยตรงเข้ามากระชากออกจันเกิดและเสยผู้เดินตามมาข้างหลังพากันหัวเราะครืนนี่อะไรกันคริสไปล็อกคอบุญคำกันทำไมอ่ะเขาถามมาอย่างพาซื่อ ดึงบุญคำมาไว้อีกข้างหนึ่งขณะที่แกกำลังไอแคทแคแม่ผมทองซ่อนยิน้มตวัดหางตาคมปราบผ่านใบหน้าตาเท่าอย่างกึ่งเอ็นดูกึ่งมันไส้นี่บุษคุณก็พลอยง้ออีคนนี่คงเชื่อแกอย่างสนิทสินะว่าย่อชายนารพินของคุณน่ะเป็นผู้วิเศษสามารถย่นระยะทางได้รู้จะมั่งสิ ว่าตะคำมาแ ก, แกล้งรอกให้เดินตามเขาไม่ทันนะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วก็เราพินเดินป่ามาตลอดชีวิตพวกเร า, าเดินมาแค่ไหนจะไปเดินทันเ็าได้ยังไงในเมื่อเขาสามารถจะซอยเท้าให้เร็วกว่าเราเพราะประสบการณ์ความชำนาญที่มีเหนือกว่าหลายเท่าขาเขาแข็งกว่ากำลังอยู่ตัวกว่าไปเดินแข่งกับเขาถ้าเขาไม่อยู่รอให้มันก็ต้องตามไม่ทันอยู่บนยังขํานั่นแหละ ดีกวน่อยตาคำก็คงบอกว่าระพินจะพาพวกเราเหาะข้ามภูเขาคุณก็คงเชื่อนะอ้าวแล้วกันเชิดบุตรครางดังลั่นหันไปมองหน้าบุญคำกระจันซึ่งทั้งสองบัดนี้เพนเออกไปนอกรัศสมีที่จะเอื้อมมือคว้าได้โดยทั้งคู่พากันไปเดินลอยหน้าเชบิชบเชิบเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นในที่สุดเชิดบุตรก็ต้องหัวเราะออกมาจนตัวงอ อย่างชอบอกชอบใจในความขี้เล่นของสมุนขวาซ้ายของระพินทางด้านสแตนลีย์คีทและอิสเบลผู้เร่งฝีเท้าตัดหน้าขาบวนลูกหาบมาซึ่งต้องออกกำลังกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้เข้าถึงระพินก่อนพวกนั้นจนเกือบจะเป็นอาการวิ่งเหาะซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ล้าหน้ากลุ่มลูกหาบและพักพวกที่เดินตามมาเบื้องหลังในสภาพปกติซักเท่าใดนะัก พอเข้ามาถึงพรานใหญ่ผู้นั่งดูดบุหรี่แดงวาดวาดรอคอยอยู่ก่อนแล้วทั้งสามก็หอบจนตัวโยนเงือท่วมไปหมดเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ทำไมถึงต้องเร่งรีบตามผมมาแบบนี้ด้วยความจริงเดินมาเรื่อยๆตามสบายพร้อมกับพวกนั้นก็ได้นี่ผมหยุดรออยู่แล้วตามคำสั่งรับพินถามเรียบๆขณะที่เลิกคิ้วขึ้นอย่างสงสัย ทั้งสามยิ้มให้เขาแต่ยังพูดอะไรไม่ออกในขณนะนั้นพากันยืนหายใจแรงๆเช็ดเหงื่อตามลำคอและใบหน้าอยู่พร่านใหญ่หัวเระาะเบาๆพยักหน้าบอกต่อมาอย่างปรานีว่าอ่ะถ้าเหนื่อยนักก็พักสักก่อนเถะครับรอพวกเราให้เดินทางมาถึงพร้อมๆกันสักก่อนแล้วค่อยไปต่อก็ได้ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอก เราเดินไปด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้เบลเข็นใจบอกอย่างอ้าปากหายใจหอบทีทีอยู่อย่างนั้นเดินเข้ามาตบไหลเ่เขาผู้นั่งเฉยอยู่อย่างไม่มีปฏิกิริยาว่าจะขยับขยื่นไป น, นาต่อเราจะเดินไปพร้อมๆกันรับพินมองหน้าทั้งสามไปทีละคนอย่างรวดเร็วด้วยความฉงนเพราะไม่ทราบอะไรมาก่อน แปลกจริงนี่มีอะไรเร่งด่วนเป็นพิเศษนะครับที่พวกคุณทั้งสามคนพยายามจะตัดหน้าพักพวกแล้วก็ออกแรงเดินกันแทบจะเป็นวิ่งตามผมมาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าทุกคนเหนื่อยมากทีเดียวพักสักครู่นะครับมันยังไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องเหนื่อยกันถึงขนาดนี้เราไปกันเรื่อยๆไม่มีการเร่งรีบสงวนพลังงานไว้เอาไว้มีอะไรฉุกเฉินจะก่อนค่อยออกแรงกันให้เต็มที่แล้วกัน กล่าวจบเขาก็หัวเราะ อ, อยู่ในอาการเดิมยังพาซื้ออยู่เช่นนั้นเพราะไม่รู้ในจุดมุ่งหมายของฝ่ายในจ้างทั้งสามในข้อที่ว่าต้องการจะมาพิสูจน์อะไรในเรื่องการเดินทางของเขาเหนื่อยจริงวะกว่าจะห่อไม้ทันตรงที่ไหนหยุดรออยู่ตรงเนี้ยในคิดเป่าลมพลูออกจากปาก ป้ายหลังมือเช็ดเหงื่อเม็ดโตโตโบนหน้าผากยิ่งตะวันแรงจัดขึ้นเพราะใกล้เที่ยงอากาศบริเวณกลางทุ่งอันปราศจากลมก็ยิ่งระอุแม้ว่าร่องรอยชุ่มช่ำของสายฝนหนักเมื่อหัวรุ่งนี้จะยังปรากฏอยู่บนพื้นทั่วไปก็ตามน้ำแช่ที่เปียกอยู่ตามพื้นถูกเปลวแดดเผาระเหยเป็นไอขึ้นมาและระยิบระยับลานตาไปหมด แต่เราสามคนนี้ก็ไม่รู้เงอะโง่งเซอหรือบ้าที่พยายามเล่นตามนายกันให้ทันแบบนี้อย่าว่าแต่นายเถอะเดินเดินอยู่ด้วยกันแท้ๆโบสถจะตัดหน้าขึ้นมาก็ทิ้งเสลิปลิวแบบนี้นี่นายไม่เหนื่อยมั้งไงรับพินยิ่งงงเพิ่มขึ้นขมวดคิว้วกระพริบตาทีๆจ้องหน้าคิดสีหน้ายังยิ้มยิ้มอยู่เช่นนั้น กแล้วใครใช้นายกับด็อกเตอร์แล้วก็เบนเนี่ยตามฉันมาแบบนี้ก็เราติดต่อกันได้อยู่แล้วนทางวิทยุสงสัยอยากจะถามอะไรก็วิทยุพูดกันมาสิเอานะเอานะรู้ขึ้นแล้วเดินคุยไปไปด้วยกันก็ได้หรือคุณจะเดินตามปกติธรรมดาของคุณไปก็ได้เราสามคนจะพยายามเดินไปพร้อมๆกับคุณนี่มีเรื่องโงงๆอะไรเกิดขึ้นนะเนี่ย เจ้ามักคุเทกจุ๊บปากเบาๆมองหน้าเบลกึ่งขันกึ่งสมเพรแล้วก็หันไปทางหัวหน้าคณะเหมือนจะถามแต่เห็นสแตนลีย์ถอนใจเฮือกยอมซุดตัวลงนั่งบนแง่หินที่โผล่พ้นดินขึ้นมาตรงหน้าเขาครางออกมาใช่ก็มีเรื่องโ ง, โง่ๆเกิดขึ้นนิดหน่อยอารพินแต่ก็สนุกดีเหมือนกันคือเรากำลังทดสอบฝีเท้าของเรา ถ้าท่องการจะเดินตามคุณให้ทันจริงๆอ่ะเราจะทํากันได้ไหมอะคุณก็อย่าไปสนใจอะไรเลยจริงๆก็ไม่มีเรื่องเด่งด่วนอะไรหรอกสําหรับฝ่ายผมเพียงแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะลองกําลังของเบดูเท่านั้นแหละว่าจะแข็งแรงดีสักเท่าไหร่ก็เป็นผลที่พอใจอ่ะผมก็คิดกว่าจะเดินทิ้งกลุ่มของเราแล้วก็ตามคุณมาถึงที่นี่ได้ล่วงหน้าก่อนพวกนั้นก็เล่นเอาหอบ แต่เบนอะดูเหมือนจะยังไม่ได้เหนื่อยอะไรมากนักเอาใครบอกระจาน่ะฉันเองก็แทบจะเขาอ่อนจะลงนอนอยู่เดี๋ยวนี้ละเหมือนกันเบนพูดออกมาปนหัวเราะหอบๆยืนสูดลมหายใจลึกๆตากวาดมองออกไปยังทิวป่าทรรมนินอันมองเห็นอยู่เป็นแนวไม่ไกลนักขวางกั้นอยู่เบื้องหน้า ส่วนคีดเปิดกระติกน้ำออกมากรอกใส่ปากแล้วเปิดหมวกออกเทรสหัวให้มันไหลชุ่มมาตามใบหน้าและลำคอพร้อมทั้งสะบัดกระจายเป็นฝอยนี่ผมไม่เข้าใจนะวพวกคุณนึกยังไงขึ้นมาแล้วเชิบุกับคริสติน่าล่ะทำไมถึงไม่ได้มาด้วยระพินถามมาอย่างอารมณ์ดีดีดก้นบุรีลงกับพื้นและใช้ปลายรองเท้าเหยียบดัด มือหนึ่งเอื้อมไปกระตุกแขนเบลซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆให้ซุดลงมานั่งพักใกล้ๆเขาและพยักหน้ากะคิดบอกง่ายๆครั้งว่าเอานั่งสิคิดไม่ต้องยืนหอเป็นควายอยู่แบบนั้นหรอกในคิดจึงยอมแพ้ซุดตัวลงนั่งราบกับพื้นเขาถามถึงเชิดบุตรและคริสติน่าอีกครั้งพันเอกแห่งย s a อส y มีจึงหัวรอก้าออกมา สองคนน่ะมันฉลาดที่จะไม่ยอมเหนื่อยโดยไม่จําเป็นก็เลยไม่บ้าเลือดที่จะตามนายมาถึงที่นี่ไงเอ๊ะแปล ว, ว่าอะไรเนี่ยก่อนที่คิดจะเ อ, อ่ยอะไรออกมาอีกสเตลีก็ถามเปลี่ยนเรื่องมาเซ้นี่ระพินคุณตั้งใจจะตัดเข้าดงนั่นทางด้านไหนละเนี่ยระพินชี้มือไปก็ประมาณสามสิบองศาเหนือจากตําแหน่งที่เรานั่งกันอยู่ที่นี่แหละครับ สภาพจะเป็นป่าดึกดำบรรแล้วก็ทึบมากแต่ผมเข้าใจว่ามันคงจะไม่ทึบตลอดไปหรอกน่าจะมีส่วนที่เป็นป่าโปร่งและทุ่งซ่อนอยู่ในฉากบังของไม้ใหญ่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาบุบบันกันนานพอสมควรก่อนจะพบสภาพป่าที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ค่ำของวันนี้เราคงไม่ผ่านดงทึบแน่นอนงไงๆก็คงต้องพักกันกลางดงนั่นแหละครับ แล้ว ก, ก็ตั้งปลายลำกล้องไรเฟิลขึ้นฟ้าสังเกตดูเงาแดดที่บังลำปืนทอดไปปรากฏอยู่กับพื้นกรวดผสมหญ้าและวัชพืชเล็กๆที่ขึ้นปกคลุมอยู่ในบริเวณนั้นกล่าวต่อมาว่าผมเชื่อแน่ว่าทุกคนคงยังไม่หิวกันนักนะครับเพราะวันนี้เราเริ่มต้นเดินทางสายจัดแล้วทักครึ่งวันของวันนี้ ผมก็อยากจะยืดเวลาออกไปเป็นสักบ่ายสองหวังว่าคงไม่ขัดข้องนะครับเพราะนี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วถ้าหยุดแค่เที่ยงเราจะเดินเราจะใช้เวลาเดินเพียงแค่ชั่วโมงสี่เท่านั้นเองได้ได้พักกินอาหารมื้อที่สองเวลาบ่ายมากๆ ก, ก, ก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องถือเวลาเที่ยงพักรหรอกหัวหน้าคณะบอกมายังไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ถามต่อมาว่าเออ แล้วคุณมีแผนการเดินทางต่อไปยังไงอ่ะบอกให้รู้ไว้บ้างก็ดีนะที่จริงก็อยาจะไม่ถามนั่นแหละแต่มันก็อดไม่ได้อ่ะครับครับดีครับสงสัยอะไรก็ถามมาได้ครับผมบอกได้เสมอแทนใหญ่พูดด้วยน้ําเสียงเป็นกันเองเบอร์ตาและอาการของเขาสร้างความอบอุ่นและไว้วางใจแกเหล่านายจ้างเพิ่มขึ้นทุกขณะนับวันเวลาที่ผ่านไป เขาดึงมีดโบวีประจําตัวออกมาจากฝักแล้วกรีดวาดลงกับพื้นตรงหน้าให้ทั้งสามคนเห็นในลักษณะแผนที่คร่าวๆนี่ครับเบื้องหลังปาดิบที่ขวางหน้าเรานี่ออกไปเราจะบ่ายหน้าขึ้นเหนือไปเรื่อยๆนะครับพื้นภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสูงมีระดับสูงจากระดับน้าทะเลขึ้นไปตามลำดับถ้าผมคาดไม่ผิด มันจะมีทิวเขาใหญ่อยู่สองทิวด้านหนึ่งเลื้อยมาจากทางด้านตะวันออกและอีกทิวหนึ่งเลื้อยมาจากทางด้านเหนือมุมลาดต่าเข้ามาซ้อนกันในตำแหน่งมุมเทเราจะตัดเข้าทางมุมเทของทั้งสองทิวนั่นและจะวกอ้อมขึ้นเหนืออีกซึ่งควรจะเป็นจุดหมายที่ผมเคยผ่านมาแล้วโดือแผนที่โบราณที่ผมมีอยู่ระบุชื่อไว้ว่าทิวปีครุ นั่นคือเป้าหมายในอันดับแรกของการเดินทางในช่วงนี้ของเราครับเออแล้วนายเอาอะไรเป็นแนวนำทางนี่ไม่เห็นใช้แผนที่เลยในระยะนี้คิดถามมาเริ่มคลายเหนื่อยลงได้บ้างแล้วเพราะการได้นั่งพักคิดแผนที่มันก็จําเป็นในบางขณะท่านั้นแหละนะไม่ต้องมากลางดูกันให้เสียเวลาทุกระยะไปหรอก ฉันเดินโดยแสงตะวันที่ชีท้ทิศทางให้เดินจากสัญชาติยานที่เคยผ่านสถานที่มาก่อนแล้วแล้วก็เดินด้วยสัมผัสที่6กระพินและจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ในการเดินไปยังทิวปีกคุออันเป็นเป้าหมายในช่วงเนี้ผู้อาวุโสที่สุดในคณะถามมาบ้างอย่างรวดเร็วก็ไม่ควรจะต่ำกว่าเจวันแล้วก็อย่างช้าไม่เกินสิวันครับ นี่ถ้าถ้าเจ็ดวันมันก็เกินกำหนดที่เราตกลงกันไว้อะหรือไม่ยังที่เราบอกกับคุณไม่ว่าหากเจ็ดวันยังไม่ได้รักแค่ระคายอะไรเราควรจะบายหน้ากลับได้แล้วไงสแตนลีเพ่งตาสีฟ้าขริมจับนิ่งมาที่เขาระพินเอามือขีย้ยิมฝีปากช้าๆแล้วกล่าวเสียงแผ่วต่ำครับถ้าเจ็ดวัน ก็แปลว่าควรจะต้องระแคะระคายอะไรในเป้าหมายแล้วล่ะครับคือถ้าเราพบทิวปีครุตเมื่อไรก็หมายถึงว่าเส้นทางที่จะไปถึงเทือกพระศิวะปรากฏให้เห็นแล้วและเทือกพระศิวะนี่แหละครับที่ผมแน่ใจว่าเครื่องกับระเบิดมหาประลัยของพวกคุณมันตกอยู่ที่นั่นแต่ถ้าไม่พบทิวปีครุตผมยอมนำกลับครับ คำพูดของเขาทําให้สไตลีคิดและเบลนิ่งงันกันไปพักใหญ่เอาละระพินสมมติว่าเราถึงทิวปีกครุฑอนันเป็นเป้าหมายแรกที่คุณตั้งความหวังไว้เราจะใช้เวลาอีกนานสักเท่าไหร่จึงจะเข้าถึงเทือกพระศิวะก็ไม่เกินเจ็ดวัน ร้อสิบวันเป็นอย่างสูงแล้วครับแน่ใจเหรอระพินหัวหน้าคณะถามมาโดยเร็วอย่างคาดคัน้นครับแน่ใจครับนี่ในที่สุดในที่สุดคุณก็เพิ่งจะมาเปิดเผยเอาเดี๋ยวนี้เองว่าคุณต้องการนำพวกเรามุ่งเข้าสู่ดินแดนที่คุณเคยไปติดตามคนหายมาก่อนแล้วนั่นเองเบลอุทานออกมาด้วยเสียงแหลมสูง ระพินขีดปลายมีดโบวีลงไปกับพื้นกรวดบนดินเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ครับทับครอมอยู่บนสองเส้นที่เขาลากมาบรรจบกันไว้ก่อนแล้วนี่นะครับบริเวณนี้เปรียบเหมือนสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าแต่แทนที่จะอยู่ในท้องทะเลมันกลับอยู่บนเทือกเขาถ้าคุณสำรวจทางอากาศคุณจะมองไม่เห็นอะไรต่ออะไร เหมือนอย่างที่เราเดินอยู่บนพื้นดินเลยบริเวณดังกล่าวเปรียบเหมือนกับโลกอีกโลกหนึ่งแยกต่างหากออกไปจากโลกของภูมิศาสตร์ปัจจุบันการเวลาและทิศทางจะถูกเปลี่ยนแปลงไปหมดเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งไม่เกี่ยวกับโลกที่เรารู้จักกันเลยผมจะพาพวกคุณไปให้เห็นกระตาเพื่อจะได้รับรู้และบันทึกไวในความทรงจาไปชั่วชีวิต ในสิ่งที่คุณพบหินแต่ไม่อาจจะไปบอกเล่าให้ใครฟังได้เพราะคนฟังเขาจะบอกว่าคุณอิเพชิพเป็นบ้าไปไม่มีใครเขาเชื่อหรือยอมรับได้หรอกแต่มันมีอยู่จริงแล้วก็อย่ามาถามผมด้วยว่าถ้าเปรียบเทียบกับแผนที่ทางภูมิศาสตร์สากลแล้วมันจะอยู่ตำแหน่งไหนเพราะไม่ว่าผมหรือใครก็บอกไม่ได้ตำแหน่งนี้เป็นเขตของทวายไลโซน มันถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะต้องบอกความจริงแก่พวกคุณในสิ่งที่ผมไม่เคยคิดจะบอกมาก่อนตอนนี้พวกคุณถอยไม่ได้แล้วรู้ไว้ด้วยครับดีดีมากที่พูดกันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาแบบนี้สเตนลีย์ว่าสีหน้าแสดงความพอใจแต่คุณแน่ใจนะว่าเครื่องและระเบิดนําไปตกอยู่ในดินแดนแห่งความฝันนี่ ร้อยเปร์เซนต์ครับจอมพลานพูดด้วยน้ำเสียงปกติหน้าตาเฉยไม่ส่อความรู้สึกอะไรให้ทั้งสามสายตาที่จ้องสำรวจเปงอยู่ในขณะ น, นี้อ่านความหมายใดๆออกทำไมคุณถึงได้เชื่อมั่นอย่างนั้นล่ะก็เพราะมันได้หายไปอย่างลึกลับจนวิทยาการก้าวหน้าสูงสุดของพวกคุณไม่อาจจะตามพบได้ก็ถ้ามันไม่หลงไปในดินแดนแห่งนี้ มันก็ต้องถูกค้นพบไปนานแล้วนี่คือเหตุผลของผมครับวันนี้เราพูดกันอย่างเปิดใจเลยไม่มีอะไรรับลมซ่อนเงื่อนไขให้คุณจะต้องคอยคิดคลางแคลงใจอีกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับทิศทางการนำของผมซึ่งพวกคุณพยายามจะเค้นออกมาให้ได้นี่ผมก็บอกให้แล้วไม่ปกปิดอมพันนำอีกต่อไปดาพิน คุณคิดว่าคุณจะไปได้ถึงอีกครั้งหนึ่งเหรอในแดนสนทยาแห่งนั้นน่ะเบนเน้นเสียงถามจ้องตาขมิงนเบนครับผมไม่กล้าคำรับรองหรอกเพราะความตายความพินาศมันรอคอยเราอยู่ทุกขณะจิตครับก็ได้แต่พูดว่าจะพยายามจำไหมครับ ผมจะพยายามครับนี่รพินตามที่เราทราบคุณเคยใช้ลายแทงในอดีตแต่มาคราวนี้คุณไม่ได้แกะเส้นทางมาตามลายแทงนั้นนี่คำถามของนายจ้างเริ่มเข้าสู่ภาวะจริงจังและเครื่องเครียดรพินไพยวันใช้ปลายนิ้วเสยปีกหมวกขึ้นไปกองอยู่กลางสีสะัะ ตา ย, ยังจับมองอยู่ที่เส้นซึ่งเขาขีดคร่าวๆไว้บนพื้นประกายตาคู่นั้นขมลึกครับถูกต้องครับด็อกเตอร์ผมไม่ได้ใช้ลายแทงเป็นเครื่องนำทางแต่ต้นแต่กำลังใช้ประสาทที่6อย่างที่บอกแล้วไงครับตัดเข้าหาจุดหมายตามลายแทงในเส้นทางตอนปลายระยะคือทิวปีกครุดถ้าพบทิวนี้เมื่อไหร่ แปลว่าผมคาทางได้ถูกต้องโดยไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราฉีกเส้นทางออกมาไกลลิฟแล้วไอจะย้อนไปทําเส้นทางใหม่ที่ห้วยเสือร้องหรือหลงช้างมันย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าทําอย่างนั้นทั้งผมและพวกคุณกลับบ้านกันดีกว่าเออแล้วโดยลายแทงจากคําบอกเล่าของคุณน่ะเห็นบอกไว้ว่าต้องตรงกรฤดูการ พอเหมาะพอดีไม่ใช่เหรอจึงจะมองเห็นเส้นทางตัดขึ้นเทือกพระสิวะแต่ที่เราเดินทางกันมานี่มันไม่ตรงกับข้อกำหนดของลายแทงซึ่งปีหนึ่งไหนบอกว่ามีอยู่แค่คืนเดียวเท่านั้นไงอเมริกันเอาโสยิงคำถามมาอีกพรานใหญ่รีตาลงครับนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ข้อหนึ่งที่ผมหนักใจอยู่เหมือนกัน แต่ก็คิดคิดว่าถึงแม้วันเวลาจะไม่ตรงตามฤดูกาลที่เขากำหนดอันจะช่วยให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชี้บ่งบอกทางก็ตามผมก็เชื่อนะครับว่าผมพอจะจำที่หมายหรือจุดสังเกตได้เพราะไม่ใช่แต่เพียงเคยผ่านเข้าเท่านั้นในเที่ยวขากลับผมก็นำคณะผ่านออก และทุกสิ่งทุกอย่างน่ะถูกบันทึกอยู่ในความทรงจำํำยัไงไงไๆมันก็คงจะต้องประกอบ ด, ด้วยโชคด้วยล่ะในครั้งนี้ก็ให้มันรู้ไปว่ามองเห็นเทือกเขาพระศิวะอยู่ข้างหน้าแล้วผมไม่สามารถจะนําเข้าเมืองรับแลแห่งนั้นได้ทั้งทั้งที่เดินมาถึงมันก็ผ่านอุปสรรคแสนยากมากกว่าหลายร้อยหลายพันเท่าถ้าเห็นเขาพระศิวะแล้ว ผมยังนำเข้าไม่ได้ก็ตายซะดีกว่าประโยคสุดท้ายสิ้นสุดลงพร้อมกับมีดในมือของเขาที่ปาลงไปปักเดเ อ, อยู่ใจกลางรูปสามเหลี่ยมที่ขีดไว้กลางพื้นดินเออแล้วคนของนายทั้งสี่อ่ะเขารู้หรือเปล่าว่านายจะมุ่งไปที่เนี่ยคิดถามขึ้น ท่ามกางความเงียบงันที่เข้ามาขั้นชั่วขณะจิตรู้หรือพวกนั้นว่าไงมั่งก็ไม่มีปัญหาอะไรฉันสั่งให้เขาไปไหนเขาก็ไปที่นั่นแม้แต่ให้ไปสู่ความตายเพราะเขารู้ว่าไงไฉันจะยอมตายก่อนพวกเขาเสมอฉันไม่เคยเอาเปรียบลูกน้องมีความรักและเสียสละให้กับพวกเขาทุกคนเหมือนพ่อ จะพึงมีให้กันลูกเรื่องนี้นายไม่ต้องห่วงหรือคิดสงสัยว่าตัาคนของฝ่ายฉันจะเกิดฝันเสียหรือท้อถอยขึ้นสำคัญฝ่ายนายนะ่ะปรับจิตใจไว้ดีก็แล้วกันอุ้ยเศตแต่อยากจะรู้ว่าอะไรนะรพินที่ทำให้นายเป็นคนซื่อตรงแล้วก็จริงจังต่อหน้าที่ได้ถึงเพียงนี้ฉันไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยนะเนี่ย แต่ก็ต้องเชื่อแล้วต้องเชื่อเดี๋ยวนี้ระพินถอดมีดออกมาจากพื้นป้ายเช็ดคมกับขากางเกงแล้วสอดเข้าฝักตามเดิมเกียรติศักย์ยังไงล่ะคิดแต่นี่ระพินคุณเคยได้ยินคำนี้มั่งไหมที่เขาพูดกันว่า พระเจ้าไม่เคยให้ความโชคดีแก่ใครซ้ำสองในสิ่งเดียวกันเบลเอียงคอถามยิ้มยิ้มนั่นแหละครับเบลยิ่งเป็นสิ่งท้าทายมากชีวิตคนเรามีทางเลือกอยู่แค่สองทางเท่านั้นเองคือเป็นกับตายผมไม่เคยท้าทายพระเจ้าแต่ผมกล้าท้าทายชะตาชีวิตของตัวเอง แล้วก็ฝากชีวิตให้อยู่ในกำ ม, มือของพระเจ้าสุดแต่ว่าท่านจะกำหนดแต่ผมก็ไม่ประมาทในทุกสิ่งและพยายามทำให้ดีที่สุดซะก่อนหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นก็สุดแล้วแต่พรหมลิขิตนะครับแม่ผมแดงส่งมือมาให้เขาพร้อมรอยยิ้มละไม่อยู่เช่นนั้นระพินมองหน้าเหมือนจะถามว่า ขอจับมือเรื่องอะไรแต่หล่อนพยักหน้าอีกครั้งจึงยื่นมือไปให้เบงจับมือเขาบีบแน่นกระชับและไม่ยอมปล่อยอยู่นานปากก็บอกว่าระพินฉันเชื่อนะเชื่อว่าคุณสามารถนำเราไปได้สำเร็จแน่นอนขอบคุณครับเบน ขอบคุณที่เชื่อมั่นและให้เกียรติผมอย่างนั้นนี่ไม่เพียงแต่เบรอกพวกเราทุกคนก็เชื่ออย่างนั้นแหละแตาลีเสือมาหนักแน่นอีกคนหนึ่งส่วนคีตนะโอบแขนมากกอดเขาแน่นกระชับแล้วตบที่ไหล่อีกข้างหนึ่งหนักหนั ก, น ก, นกแรงแเงแต่พินนายนี่มันยอดคนจริงๆว่ะเห็นสารรูปนายครั้งแรกแล้วฉันไม่เคยเชื่อถือเลย เฮ้เบร์่อบอกถึงความโง่ของพวกเราทั้งสามคนที่พยายามเดินตามเขาขึ้นมาหนีหน่อยสิว่าจริงๆแล้วพวกเราตั้งใจไว้แต่แรกยังไงอิสเบียนหัวรอดคค่ๆๆ่สะบัดผมที่ปลิวลงมาปลกที่หน้าผากแล้วใช้พานท้ายเอ็มกระทุ้งมาเบาๆที่หน้าแข้งเขานีคุณ ต่อไปนี่เป็นการเปิเปดเผยความโง่ครั้งที่หนึ่งร้อยไม่เกี่ยวกระจาดหรอกจริงๆอะเป็นความโง่งั่นเองแหละรวมทั้งคิดด้วยที่พลอยถูกหลอกให้โง่มาด้วยคือฉันอะสงสัยอยู่เท่าแล้วเท่ารอดว่าเวลาคุณเดินป่านะคุณเดินยังไงพวกเราถึงได้เดินตามคุณไม่ทันสักทีแต่คุณยังไม่อยากจะให้เราตามทันนี่ช่วยบอกเคล็ดสักนิดเดียคุณ เห็นเดินเดินอยู่ด้วยด้วยกันดีๆคุณก็เริ่มทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆทั้งๆที่คุณก็ไม่ได้วิ่งหรือว่ามีขาที่ยาวกว่าพวกเรามันแปลกอะพรานใหญ่ขมวดคิ้วจุ ป, ปากมเาบาๆอีกครั้งนึงไม่เห็นพวกคุณแล้วก็อุตส่าห์วิ่งตามขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะถามเรื่องไร้สาระแค่นี้เองเหรอ อาจารย์ก็มีเรื่องที่จะถามคุณเกี่ยวกับเส้นทางเดินวันนี้ด้วยละ่ะส่วนชันน่ะตามมาด้วยก็อยากจะถามคุณในเรื่องไรสารานี่แหละ stupid oh please พวกคุณน่ะเป็นคนแข็งแรงทั้งนั้นน่ะผมเชื่อถ้าไม่ฉะนั้นก็คงจะไม่ถูกคัดเลือกตัวมาทำงานแบบนี้หรอกแต่ก็ถามหน่อยเถอะวกาพวกคุณทุกคนน่ะ เคยเดินป่ากันมาเท่าไหร่แล้วมัง้งก็คงไม่ได้หนึ่งในหมื่นของคุณละมัง้งก็นั่นแหละครับคำตอบแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นสิระพินเพราะฉันสังเกตมาตลอดเวลาแล้วเป็นพูดอย่างอยากรู้จริงๆมีการขบขันในความรู้สึกของตนเองไปพร้อมๆกันด้วย หมายถึงว่าเห็นขาคุณก็ก้าวเดินออกไปธรรมดาธรรมดานี่หละแต่ทําไมมันถึงไปเร็วสามารถทิ้งห่างโรคไปได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยคุณเดินแต่เราต้องออกวิ่งถึงจะทันกันทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นกรุณาช่วยอธิบายหายสงสัยหน่อยเหอะงั้นเอางี้ดีกว่าถ้าคุณอ้างว่าคุณสังเกต ก็ขอให้สังเกตต่อไปด้วยแล้วกันถ้าผมเริ่มทิ้งห่างพวกคุณออกไปเมื่อไหร <_ d ata> ่ก็แปลว่าวอัตราการซอยเท้าของเราจะเริ่มแตกต่างกันละพวกคุณเก้าหนึ่งเก้าผมเก้าไปแล้วอย่างน้อยก็สองสามเก้ากำลังขาผมน่อยู่ตัวแต่กำลังขาของพวกคุณพอเดินไปมากๆ ก, ก, ก็เริ่มจะอ่อนล้าลงเพราะความเคยชินมันไม่เท่ากันเนี่ยตอบแค่นี้ พอจะคิวอีดีได้แล้วหรือยังพรานใหญ่บอกมาอย่างรำคาญใจแต่ก็ขันขันเช่นกันในความสงสัยไม่เข้าเรื่องของแม่ผมแดงเหรอเอ๊แต่เท่าที่ฉันพอจะรู้มาไหนว่าคุณมีอาคมเหมือนพ่อมดไม่ใช่เหรอเวลาเดินป่าคือสามารถใช้มน์มืดอิทธิฤทธิ์ย่นระยะทางเข้ามาได้ก้าวไปก้าวเดียว ก็เหมือนๆพวกเราก้าวกันไปตั้งห้าก้าวอย่างนั้นแหละเฮ้ยบ้าบ้าจริงๆอะคุณเบลความคิดประหลาดประหลาดอย่างนี้มาจากไหนระพินร้องมาเบาๆอิสเบลอดที่จะหัวเราะ อ, ออกมาไม่ได้เพราะขันตัวเองอยู่เหมือนกันหล่อนบอกไปตามตรงโดยไม่ถือเป็นเรื่องสนใจจริงจังอะไรนะักก็จันทแหละเป็นคนบอกฉันแล้วก็พวกเราทุกคน สนบุญคนะําน่ะเป็นคนยืนยันสนับสนุนและเรื่องมันเป็นไงมาไงจันทถึงได้บอกคุณอย่างงั้นระพินถามขึ้นมาเสียงต่ำๆก็ห่อไม่มีอะไรหรอกก็แค่ฉันเปลยะขึ้นมาถึงความสงสัยในข้อนี้ทีแรกก็คุยกับบุญคํมาแหละแล้ว แ, ลแกก็เรียกจันทมาให้อธิบายฟังจันทรก็บอกหน้าตาเฉยอย่างนี้แหละฉันก็เลยชวนอาจารย์กระคิดให้เร่งกลัวตามคุณขึ้นมา เพื่อที่จะขอถามไม่รู้ชัดอาจจะว่างโง่ก็ยอมครันใหญ่เพิ่งจะทราบความจริงถึงกับโครงหัวไปมาชุบ ป, ปากเบาๆอู้ปากคำคุณก็รู้อยู่แล้วลว่าแกกันล่อนยังไม่มีใครเทียบหาเรื่องโกโหกพกลมอะไรมาหลอกเล่นได้อยู่ตลอดเวลาส่วนเจ้าจันนะ์นั้นมันก็กันล่อนเหมือนกันแหละคุณแต่เงียบเงียบ คุณไปถามแบบนั้นสองคนก็เลยช่วยกันต้มจะสุกไราสาระสิจริงๆแต่ก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยที่สุดก็ยังช่วยพวกคุณคลายความเครียดลงได้มั่งลูกน้องผมแต่ละคนมันดูเงอะเงอะงงงงเซ่อเซ่อเงอ้องเงอเถอะแต่ความจริงอแกนกันทั้งนั้นแหละอย่าไปหลวมตัวชื่ออะไรใครเข้าๆยกเว้นในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตซึ่งพวกนั้นจะไม่หลอกหรือล้อเล่น พร์พินเปลี่ยนสายตากึ่งขันกึ่งทุเรศมาทางสแตนลีและคิดทั้งสองก็รีบออกตัวว่าเฮ้ยเฮเราสองคนไม่ได้บ้าเดินกวดตามคุณขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอย่างที่เบนบอกนะแต่อยากจะเดินไม่ทันเพื่อปรึกษาสอบถามเกี่ยวกับเส้นทางเดินนั้นนั่นแหละคุณไม่ต้องมามองเราด้วยสายตาพิกลอย่างนั้นนะสแตนลี Stanley เป็นคนพูดพร้อมกับหัวเราะปรบเกลื่อน ตรงข้ามกับเบลซึ่งหัวเราะลั่นออกมาอย่างสนุกสนานจริงๆนะรพินฉันนี่รักนิสยัยเจ้าลูกน้องแกแล้วก็หนุ่มของคุณสี่คนนั่นจริงๆทุกคนล้วนมีอารมณ์ขันคลื้นขี่เล่นน่ารักทั้งนั้นคุยแล้วก็สนุกดีมีเรื่องให้หัวเราะได้เรื่อยตัวคุณเองซะอีกที่เคร่งครึมตลอดเวลาแต่บอกตามตรงนะฉันออกจะเชื่อสองคนนั้นอยู่มากมากทีเดียว เรื่องที่คุณมีวิชาย่นระยะทางอันน่าจะเป็นมนต์มืดศาสตร์ดีลับอีกชนิดหนึ่งนี่นี่ฉันว่าคุณน่าจะเปิดเผยมั่งนะเอาไม่เปิดเผยก็ไม่เป็นไรหรอกระพินไม่ได้โตตอบหรือต่อความยาวสาวความยืดอะไรอีกนอกจากเอาหลังมือขยี้จมูกแรงแรงจนกระทั่งในที่สุดก็ตามมา โดยมีเชิดบุตรและคริสติน่าเดินเคียงคู่กันนํามาด้านหน้าของกลุ่มลูกหกักอะทําไมหยุดกันหยุดตรงนี้ล่ะทําไมถึงไม่เดินต่อไปเรื่อยๆเชิดบุตรส่งเสียงร้องถามเข้ามาก่อนอย่างสงสัยเพราะมองเห็นอยู่ตลอดเวลาในระยะสายตาว่าระหว่างที่ระพิงหยุดรอบุคคลทั้งสามที่กวดตามหลังขึ้นมานั้นจนกระทั่งตามมาทันแล้วก็ยังไม่มีการออก เคลื่อนหน้ากันต่อไปเลยกลายเป็นว่าหยุดพักรอให้กระบวนทั้งหมดตามมาจนถึงตำแหน่งนั้นก็พักหาเรืออะไรกระพินหน่อยแล้วก็เลยถือโอกาสรอพวกเราทั้งหมดด้วยละอเมริกันอาโวโซหัวหน้าคณะรองต่อไปเรียบๆพวกลูกหาบและพลานพื้นเมืองเหล่านั้นเมื่อเดินผ่านมาถึงกระพินก็ชี้มือออกไปทางขวาให้มุ่งหน้าเดินต่อไป โดยไม่ต้องเสียเวลาหยุดรอส่วนตัวเขาเองยังคงยืนรวมกลุ่มอยู่กับคณะนายจ้างและอีกสองบุคคลที่เพิ่งจะมาสมทบกคริสตินานั้นเมื่อมาถึงก็ตรงเข้าไปหาเบลมองหน้าเหมือนจะถามว่าทำไมไม่ลองให้ระพินออกเดินและติดตามฝีเท้าของเขาดูอย่างที่บอกไว้แต่แรกแต่ก็ไม่ได้อเอ่ยออกมาเป็นวาจาใดๆนอกจากยิ้มๆิม พวกคุณทั้งหมดตามผมมาถึงตรงนี้ก็ดีแล้วในที่สุดภายหลังจากให้เชิดบุตรและคริสติน่าได้พักขาประมาณสีหนาทีแผานใหญ่ก็เอ่ยขึ้นความจริงถึงคริสจะไม่วิทยุสั่งให้ผมหยุดรอก่อนผมก็เจตนาที่จะหยุดรออยู่ตรงนี้เหมือนกันแหละสิ่งที่พวกคุณควรคิดเกี่ยวกับเรื่องการเดินเรวหรือเดินไปเพียงก้าหนึ่งแล้วพวกคุณจะต้องออกแรงเดินถึง1ิก้านะ ไม่ใช่ผมหรอกครับแต่มันเป็นอะไรชนิดหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นปัญหามากกว่าน้ำเสียงของระพินเรื่อยๆเป็นปกติก็ตามแต่ประโยคที่พูดทำให้ทุกคนหันควักมามองเป็นตาเดียวพูดให้ชัดสิคุณนล้วคุณหมายถึงอะไรเนี่ยสเตลีถามเสียงสูงมาทุกคนตามผมมาที่นี่สิครับ ยังไม่ต้องไปสนใจกับพวกลูกหาบของเราที่กำลังเดินไปนั่นหรอกเดี๋ยวเราค่อยตามไปทีหลังบอยก็ล่วงหน้าไปทางด้านนั้นก่อนนะกันพร้อมกับฝ่าพรานใหญ่โบกมือให้ฝ่ายนายจ้างเดินตามเข้ามาทางบริเวณทุ่งหญ้าสลับดงวัชพืชด้านซ้ายมืออันเป็นทิศทางตรงข้ามกับที่กำหนดให้พวกลูกหาบเดินไปนาลงสู่บริเวณที่ลุ่มอันเป็นปลักคโครน เพราะน้ำฝนที่กระนําหนักมาเมื่อใกล้รุ่งของวันนี้มันอยู่ไม่ห่างจากตําแหน่งที่คณะทั้งหมดยืนพักกันอยู่เพียงแค่ไม่เกินยีห้าเมตรเท่านั้นโดยมีพงไม้เตียเต้ยประเภทต้นโปรงขึ้นเป็นแนวบังอยู่เมื่อพ้นบริเวณดงโปร่งนั้นเข้าไปทุกคนที่ตามเข้ามาก็ยืนนิ่งอยู่กะที่เลือดแทบจับเป็นก้อนแข็งจากผ้าพิสายตาแลไปพบ เงียบงันกันไปหมดตำแหน่งนั้นปรากฏรอยเท้าสัตว์อะไรชนิดหนึ่งเหยียบย่ำไว้ทำให้พื้นขังน้ำแต่แรกกลายเป็นปลักคโครนคลักภายในอาณาเขตรูปวงรีเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่น้ำฝนที่ขังอยู่ในบริเวณลักษณะเหมือนแอง่งยังขุ่นค้นแสดงว่ามันเพิ่งจะไม่นานนี่เองและกระเซ็นน้าโคลน ได้กระจายแผ่ในวงกว้างไปเปละเปียกต้นปรงที่ขึ้นแวดล้อมอยู่รอบๆทั่วบริเวณเหมือนใครเอาสูบน้ำรถดับเพลิงมาสูบแล้วเป่าสาดขึ้นมารอยเท้าที่ประทับไว้ยังบริเวณนั้นตำแหน่งที่เห็นได้อย่างสมบูรณ์และชัดเจนที่สุดและไม่ได้ถูกเหยียบย่ำซ้อนทับกับรอยอื่นๆ มีลักษณะเป็นรอยแบบเดียวกับรอยเท้าช้างป่าอย่างที่ทุกคนคุ้นเคยมาอย่างดีแล้วนั่นเองมันผิดแต่เพียงว่าขนาดของรอยอันมีสันฐานกลมนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสองเมตรหรือกว่าหกฟุตรพระเจ้าสตีลีหลุดปากอุทานออกมาแผววิวสีหน้าของเขายามนี้ปั้นยากที่สุด คิดในะยังยืนอ้าปากค้างตะลึงพูดอะไรไม่ออกอยู่เช่นนั้นนอกจากจ้องเขมง่งตาเหลือกอยู่กระไรเท้ามาคมาอันปรากฏอยู่ตรงหน้าเป็นหลุมขนาดตัวเขาสามารถลงไปนอนเหยียดยาวได้อย่างสบายในความกว้างของมันเชิดบุญยกมือขึ้นขยี้ตาเหมือนจะไม่เชื่อต่อสายตาที่มองเห็นร่องรอยเหล่านั้นเบนมีอาการเหมือนไขข้อเข่าจะหมดสิ้นไปแทบจะสุด ล้มแปะลงไปกับพื้นด้วยความตกใจคริสตินานารีตาลงเพ่งจับอยู่ที่รอยนั้นอย่างพิเคราะห์แล้วออกเดินตรวจไปรอบรอบรอยซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อวงกลมใช่ไหมคริสไอสิ่งที่มันเดินเร็วกว่าราพินไพร์วันยังมีอยู่และอยู่ในหนทางข้างหน้าที่เรากําลังจะเดินผ่านเข้าไปนี่แหละ รอยเท้าขนาดนี้ไหนลองคำนวณดูสิว่าเวลามันก้าวแต่ละก้าวจะมีระยะห่างกี่หลาเส้นผ่าศูนย์กลางของเท้าแต่ละข้างที่เข้าไปร่วมอยู่สองหลาแล้วเสียงระพินถามขึ้นเบาๆท่ามกลางความเงียบนั้นระพินนี่คุณพบตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยหัวหน้าคณะถามขึ้นโดยเร็ว เหมือนคนสำลักน้ำก็ก่อนที่จะได้รับคำสั่งวิทยุจากคริสให้หยุดรอนั่นแหละครับผมบางเงินเฉียดผ่านเข้ามาทางนี้มองเห็นอยู่ก่อนะ้ะแต่ไปนั่งรออยู่ตรงโน้นแล้วตะกี้ก็สั่งให้ลูกหาบเดินเปลี่ยนทิศไปใช้อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ผ่านมาพบเห็นที่นี่ดูลักษณะคล้ายๆรอยช้างนะแต่มันใหญ่กว่ามากเหลือเกินอะ่ะสตลีครางออกมา แล้วร้องสั่งไปทางคริสผู้กำลังไต่ทางลาดลงไปสำรวจบริเวณที่มีรอยเหยียบย่ำอยู่สับสนเลอะเทอะไปหมดพอจะกะขนาดลำตัวและน้ำหนักได้ไหมจากรอยที่เห็นน่ะตัวใหญ่ที่สุดประทับรอยเป็นหลุมหยุดพื้นบริเวณนี้น้ำหนักประมาณ 20-25 ถึงตันนะคะจาย์ ขนาดลำตัวหรือลักษณะบอกไม่ถูกฉันคิดว่าระพินน่าจะให้รายละเอียดแกเราได้มากกว่าที่เราจะคิดเด้เองนะคะแล้วคริสติน่าก็กวักมือเรียกแม่เพื่อนสาวผมแดงให้ไต่ทางลาดลงไปสํารวจร่วมกันหล่อนเมื่อ น, นั้นคีดและเชิดบุตรจึงเพิ่งตื่นจากตะลึงพากันกระโดดตามลงไปในทันทีกว่าสายตามองอย่างทีถ้วนไปรอบๆทําให้หัวหน้าคณะ ต้องตามลงไปด้วยคงมีก็แต่พรานใหญ่เท่านั้นที่ยืนสุบุรีอยู่บนบริเวณโคกสูงเหนือปลักนั้นอยู่เงียบๆปล่อยไฟนายจ้างตรวจสอบร่องรอยกันเพื่อให้เห็นชัดจักแจ้งกระสายตาออกไปโดยเขายังไม่ได้มีท่าทีหรือแสดงความเห็นใดๆทั้งสิ้นครูใหญ่ต่อมาสแตลลีก็ร้องถามขึ้นมาว่ารพิน รอยที่เห็นอยู่นี่มันน่าจะนานสักเท่าไหร่แล้วล่ะก็ไม่เกินสามชั่วโมงมานี่เองครับด็อเตอร์ระหว่างที่เรายังพักกันอยู่ในแคมป์ก่อนออกเดินทางอะ่ะทุกคนสะดับกระแสะเสียงของเขาไม่มีวิแววตื่นเต้นประหลาใจใดๆเลยดูปกติธรรมดาที่สุดเพอจะากาศจำนวนถูกไหมแล้ว แล้วมันเป็นสัตว์ประเภทไหนอะคุณก็คงจะไม่ต่ำกว่าสองตัวแะครับแต่อย่างมากก็ไม่เกินสี่ตัวอาจจะเป็นครอบครัวของมันก็คงเป็นสัตว์ประเภทช้างนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นบรรพบุรุษต้นๆของช้างคริสคำนวณคำน้ำหนักได้ใกล้เคียงเลยล่ะครับคือประมาณยี่สิบห้าตันสำหรับไอรอยที่ใหญ่เต็มที่ครับ